เธองามเหลือเกินเธองามส่งตา ก, กว่าใครกว่าที่ฉันจะฝันจะเคยไฟมากมายคนเดียวที่มีคนเดียวที่ดีกว่าใครก็ไม่คิดชีวิตจะมีได้ก็รักเธอไปด้วยใจวันวันใด คนเดินถนนคนหนึ่งมันจะทำเธอซึ่งจะเป็นสุขได้สักเท่าไหร่แค่เพียงดอบไม้เรียงทาเธอจะมองมันสวยถึงเบื่ อ, อไรใครไม่รู้จะเกิดอะไรกับฉันแมสักวัน เจอใครบางคนคนที่พร้อมจะดีกว่ากว่าคนคนนี้ที่รักเธอเป็นคนคงเธอเป็นคนรักเธอต่อไป จากสุดท้ายจะหวานจะคงคืนยังไรอะไรต้องเป็นก็คงต้องเป็นต่อไปกับวันนี้ที่ฉันจะทำได้ก็รักเธอไปด้วยใจวันวันใจคนเดินถนนคนหนึ่งมันจะทำเธอซึ้งเธอเป็นสุข แค่เพียงดอกไม้ริ้ทางเธอจะมองมันสวยถึงเมื่อไรอะไรไม่รู้จะเกิดอะไรกับฉันแม้สักวันเธอได้เจอไครบ้าง ถนนคนเลนมันจะทำเธอซึ่งจะเป็นสุขได้สักเท่าไรแค่เพียงนอกไม้เรียงทางเธอจะมองมันสวยถึงเมื่ อ, อไรเมื่อไรไม่รู้เกิดอะไรกับฉันแม้สักวันเธอได้เจอใคร ที่ของฉันคือรักเธอ